อันนี้ก็เสียเวลาไปแนาทีทดลองเสียงคือถ้าไม่ได้มาใช้จริงๆมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ต้องทดลองไปเพื่อให้เสียงมันดีฟังจะได้สบายคนฟังทางบ้านบางทีก็บอกว่าเสียงเบา ก็เลยต้องหาวิธีที่จะทำให้มันเสียงมันชัดเจนเพราะการฟังธรรมี่เสียงสำคัญกว่าภาพภาพไม่ต้องมีก็ได้เวลาฟังธรรมส่วนใหญ่เรามักจะปิดปิดตานั่งหลับตาเพื่อที่ใจจะได้ไม่มีอะไรมามาดึงไปถ้าลืมตานี่บางทีเห็นเห็นภาพอะไร ใจก็จะไปกับภาพเลยไม่ได้อยู่กับเสียงพอไม่ได้อยู่กับเสียงก็เลยไม่ได้ฟังถึงแม้ว่าจะฟังถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงแต่ไม่มีการรับรับรู้ความหมายของเสียงนั้นเพราะการจะรับรู้ความหมายของเสียงนี้ต้องแปลเสียงนั้นอีกทีนึงเสียงที่มาสัมผัสเนี่ยเราต้องมาแปลด้วยสัญญาก่อน สัญญาก็คือความหมายของเสียงว่าเสียงแบบนี้มีความหมายว่าอย่างไรแต่พอเราไปให้ความหมายกับภาพเห็นภาพเราก็ไปดูภาพแทนไปดูไปให้ความหมายกับภาพเราก็เลยไม่ได้ความหมายกับเสียงก็เลยฟังแล้วอาจจะเกิดการขาดตอน ถ้าขาดตอนแล้วมันก็จะเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาเพราะการแสดงธรรมการฟังธรรมนี้มันเป็นเรื่องของเหตุผลมันเป็นเรื่องเหตุเป็นอย่างนี้ผลจึงเป็นอย่างนี้ถ้าเราฟัง เหตุแต่เราไม่ได้ฟังผลเราก็เลยไม่รู้ว่าเหตุนี้มันจะทำให้เกิดผลอย่างไรหรือฟังผลแต่ไม่ได้ฟังเหตุก็ไม่รู้ว่าผลนี้เกิดจากเหตุอย่างไ ร, รการฟังธรรมจึงควรจะฟังอย่างเดียวจะดีที่สุดซึ่งมีญาติโยมหลายท่านบอกว่าชอบฟังธรรมขณะที่ทำงานไปด้วย ไปทำแล้วก็ทางานไป ก, ก็ดีดีถ้าเปรียบเทียบกับการฟังเพลงกับการฟังธรรมการฟังธรรมวันนี้ก็ต้องดีกว่าการฟังเพลงหรือฟังข่าวข่าวบ้านข่าวเมืองข่าวอะไรต่างๆขณะที่ทำอะไรอยู่มันก็ดีกว่าถ้าเราฟังธรรม แพ่งแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับการฟังธรรมอย่างเดียวโดยไม่ทำอะไรกับการฟังธรรมแล้วมีการกระทำไปด้วยผลจะต่างกันผลที่จะได้รับจากการฟังธรรมจะต่างกันเพราะว่าจะฟังไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องใจต้องสลับไปสลับมาต้องไปอยู่ที่งานที่ทำแล้วก็กลับมาฟังที่เสียงธรรม ช่วงที่ไปอยู่ที่งานก็ไม่ได้ฟังเสียงธรรมช่วงนั้นก็จะไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่พอกลับมาฟังต่ อ, อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วก็ได้นี่คือทำไมถึงต้องฟังแบบไม่ทำอะไรท่านถึงบอกว่าต้องมีศีลศีลก็คือความสงบของกายกวาจา การสงบของกายกับวาจาศีลที่ศีลเต็มร้อยก็คือไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆแล้วก็วาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ต้องเป็นสมาธิคือใจต้องตั้งมั่นอยู่กับการฟังธรรมไม่หนีไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นการฟังธรรมที่จะได้ผล เงต้องฟังด้วยศีลด้วยศีลด้วยสมาธิเป็นผู้กำกับใจกำกับกายกับวาจะให้ตั้งอยู่ในความสงบเมื่อกายวาจะไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อใจไม่มีการเคลื่อนไหว มีแต่การฟังและแปลความหมายของเสียงธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็ะจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดปัญญาความรู้ขึ้นมาแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาอพอใจไม่คิดปรุงแต่งแล้วพอเกิดความเข้าใจก็จะเกิดการ อาการความสงสัยต่างๆก็หายไปอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมแต่ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้ากายวาจาใจที่สงบแบบเต็มร้อยคือสงบสมาธิก็เป็นแบบอัปปนาสมาธิเนี่ย กายวาจาก็คือศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลาจะมีพลังมากเวลาฟังธรรมนี่บรรลุธรรมได้ในครั้งสมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมช่วงแรกๆทรงแสดงให้กับให้กับนักบวช นักบวชที่มีศีลที่บริสุทธิ์และมีสมาธิเข้าฌานกันได้อย่างน้อยก็เข้าฌานสี่ได้เข้าได้อุเบกขาได้ความตั้งมั่นสักแต่ว่ารู้เวลาฟังธรรมก็สักแต่ว่าฟังอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความคิดปรุงแต่ง ถ้าเป็นสมาธิแบบนี้จะมีอนิสงฆ์มากมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้เวลาฟังธรรมนี้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ธรรมนั้นกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยอำนาจของศีลสมาธิและปัญญาผู้ฟังต้องมีศีลมีสมาธิก่อนแล้วพอได้ฟังธ ร, รมซึงเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สรงคนคนพบสรงส่งคนพบว่าความทุกข์ทั้งหมดเกิดจากความอยากสามประการ ความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยทุกครั้งที่เกิดความอยากเหล่านี้ใจจะสัน่นใจจะทุกข์เนี่ยถ้าระงับไม่กระทำตามความอยากเหล่านี้ได้ทำระงับความอยากเหล่านี้ให้หยุดได้ใจก็จะหายสัน่นหายทุกข์ อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติตอนต้นเราฟังทมเรายังจะไม่บรรลุเรายังจะกาจัดความทุกข์ไม่ได้เพราะเรายังไม่มีสมาธิที่มีกำลังที่จะหยุดความอยากถึงแม้จะรู้ว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ แต่ก็ยังสู้ความอยากไม่ได้มันก็ยังอยากไปเที่ยวยังอยากไปดูอยากไปฟังอยากไปซื้อข้าวซื้อของไปอะไรต่างๆเพราะไม่มีสมาธิที่จะสู้กับความอยากแต่ถ้าไปติ๊กวิเวกไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบแล้วจเจรอนสติเพื่อ หยุดความคิดหยุดความอยากถ้าหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาพอเป็นอัปปนาสมาธิก็หยุดความคิดหยุดความอยากได้พอปัญญาบอกว่าอย่าอยากเนะือ พอกิเลความอยากบอกว่าอยากอยากไปเที่ยวปัญญาบอกอยากไปเที่ยวเที่ยวแล้วต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆและเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะทุกข์อยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านแ ล, แ, ลแล้วรู้สึกเหงาหงุดหงิดเศ้าสร้อยว้าเวเวลาออกไปเที่ยวแล้วรู้สนุกสนานดีอกดีใจมีความสุข แต่พอกลับมาอยู่ที่บ้านคนเดียวเดี๋ยวก็เหงาอีกต้องไปเที่ยวเรื่อยๆแต่มันจะต้องมีเวลาที่เที่ยวไม่ได้เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บหรือเวลาที่มีขาดทุนทรัพย์ขาดเงินทองอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้อันนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้ารู้ว่าการไปทำตามความอยากจะต้องจบลงที่ความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วก็อย่าไปทำตามความอยากดีกว่าถ้ามีสมาธิมีสติที่ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ก็ทำจิตให้สงบด้วยสติพอจิตสงบความอยากไปเที่ยวก็หยุดไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไปเที่ยวก็จะหายไป เราต้องมีสมาธิเป็นตัวหยุดมีปัญญาเป็นตัวสอนสอนให้เรารู้ว่าทำไมเราไม่ควรทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากเป็นอันตรายต่อใจเป็นภัยต่อใจเพราะพอเกิดความอยากแล้ ว, วความอยากมันจะทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจมีความรู้สึกไม่สบายในรูปแบบต่างๆ หุดหงิดํำคาญใจเศร้าซร้อยง้อยเหงาว้วาเหววิตกกังวลนี่คืออาการของความทุกข์ที่เกิดจากความอยากถ้าเราพิจารณาว่าความทุกข์อันนี้เกิดจากความอยากอันไหนเช่นบางทีทุกข์เพราะ เ, เพราะว่ารู้ว่าจะตายอย่างนี้ ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้เหลือสามเดือนเในใจก็จะทุกข์มีความไม่สบายใจถ้าใช้ปัญญาค้นหาดูว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าเรายังไม่อยากตายใช่ไหมเรายังอยากอยู่อยากอยู่ก็ภาวะตันหาไม่อยากตายก็วิภาวะตันหา แล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาใจเราก็ทุกข์ใจเราก็ไม่สบายไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรแต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากนี่เราไปควบคุมบังคับเขาได้หรือเปล่าเช่นน่างกาย ร่างกายจะตายเราไปควบคุมบังคับให้เขาไม่ตายได้หรือเปล่าห้ามเขาได้หรือเปล่าสั่งให้เขาไม่ตายได้หรือเปล่าสั่งก็ไม่ได้ควบคุมบังคับก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คืออะไร ก็คือความอยากเราหยุดความอยากได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิพอเรารู้ว่าความทุกข์เราเกิดจากความอยากไม่ตายความอยากอยู่แต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้เสียแล้วร่างกายมันบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วร่างกายจะต้องไปแล้วถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากไม่ตายความอยาก อยู่ต่อไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้ปัญญาจะให้เรามองความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจามันไม่เที่ยงเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามไม่มีใครมาห้ามมาสั่งมันได้ที่ทุกข์เพราะว่ายังไม่อยากตายยังอยากอยู่ต่อ แต่มั น, นแต่หมอบอกว่าต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมตายยอมให้มันตายอย่าไปอยากอยู่ต่ออยู่เท่าที่จะอยู่ได้อยู่ถึงลมหายใจสุดท้ายก็แล้วกันตอนนี้ยังไม่ตายก็อยู่ไปแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเมื่อก่อนก็ไม่ทุกข์ทำไมไม่ทุกข์ทั้งทั้งที่ความจริงก็เป็นอันเดียวกัน ตอนก่อนที่เราจะมาหาหมอนั่งกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เหมือนเดิมฮเพียงแต่ว่าเราเราเราไม่เชื่อความจริงอันนี้เราคิดว่าโอ๋ยมันยังอยู่ไกลอมันยังไม่เกิดขึ้นเราก็เลยไม่ทุกข์กับมันพอความจริงมันมาประชิญหน้าเรามันมายืนยันว่านี่แหละคือความจริงนี่แหละคือความตายที่จะต้องเกิดขึ้นแล้ว พอมันมาประชันหน้ากับเราเราก็เลย เ, เราก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเรารับความจริงไม่ได้เราไม่ยอมรับความจริงเรายังอยากไม่ตายยังอยากอยู่เพะ้ถ้าถ um ้าเรายังอยากถ้าเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากไม่ตายมีภาวะตัณหามีวิภาวตัณหาอยู่มันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจ ถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ทรมานใจหายไปเราก็ต้องหยุดไอ้ตัวนี้หยุดไอ้ความอยากไม่ตายความอยากอยูอ่วิธีจะหยุดมันก็ต้องทําใจให้สงบเป็นสมาธิาต้องมีสติเอถ้ามีสติก็จะสั่งให้มันหยุดคิด้นหยุดอยากได้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาไปอาตอนนี้ยังไม่ตายก็อยู่กับมันไปอยู่ไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายอา ถ้ามีอุเบกขามันจะผักรองใจไม่ให้ทุกข์กับความตายมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายมันจะหยุดหายใจเแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายแก่ก็จะไม่ทุกข์ร่างกายแก่ทําอะไรไม่ได้มีแต่อาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ ถ้าไม่มีโอเบคาเดี๋ยวก็อยากฆ่าตัวตายคนที่อายุร้อยกว่านี้ตายก็ยังไม่รู้ตายแล้วเลยเห็นบอกไปตายแล้วอันนี้ก็เพราะทุกข์ใจทุกข์เพราะความแก่ทุกข์แล้วต้องอยากจะหนีความทุกข์ก็เลยฆ่าตัวตาย แต่ตัวเองใจไม่เด็ดฆ่าตัวตายไม่เองไม่ได้เลยต้องไปให้คนอื่นเขาฆ่าให้อ ย, า, อยาตายแบบสบายให้เขฉีดยาให้ก็เลยต้องไปที่ประเทศที่เ็าอนุญาตให้ฆ่าตัวตายได้ให้คนอื่นช่วยฆ่าตัวตายได้ ถ้าจะฆ่าตัวตายจริงๆไม่ต้องเดินทางไปไกลหรอกหาลูกปืนหาปืนมาถ้กก็บอกลูกปืนลูกเดียวอันนี้ก็เกิดจากความอยากยังไม่ตายแต่อยากตายไม่อยากอยู่อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นพลิกกลับกันทุกพาะทุกพาอไม่อยากจะอยู่ก็มีทุกพ่ออยากจะอยู่ก็มี มันทุกข์ทั้งสองคนที่จะตาย ก, ก็ยังอยากจะอยู่ก็ทุกข์คนที่ยังไม่ตายแต่อยากจะตายก็ทุกข์คนมันยังไม่ตายเนี่ยความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ว่าตายหรือไม่ตายอยู่ือไม่อยู่ความทุกข์อยู่ที่ความอยากถ้ามีสมาธิก็หยุดความทุกข์นี้ได้ทำใจเฉยๆอยู่กับมันไป ถ้าใจเฉยใจมีสมาธิใจจะมีความสุขใจจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ของร่างกายที่ใจเดือดร้อนกับความแก่ของร่างกายเพราะใจยังอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ไม่มีความสุขในตัวเองก็เลยต้องอาศัยร่างกายใช้ร่างกายพาไปเที่ยวพาไปช็อปปิง้งพาไปดูไปกินไปดื่ม ไปสังสรรค์ไปทําอะไรกันไปเฮฮาปาร์ตี้กันอพอร่างกายมันทําไม่ได้มันก็เลยทุกข์กเพราะว่าไม่ได้ทําตามความอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปกินไปดื่มไม่ได้ก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายอพออยู่แล้วมันไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์พอไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ ไม่รู้จักวิธีทำให้ใจสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายออก็คือการฝึกสมาธิออถ้าฝึกสมาธิได้ทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้ใจจะไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเจ็บก็ไม่ต้องไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่ไม่สามารถพาไปไหนมาไหนไดออ้ก็ไม่เดือดร้อนพ่อมีความสุขใจ ที่เหนือกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายเอออันนี้แหละเป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่วิเศษที่มีอยู่ในตัวเราเรากับมองข้ามไปเรากับเหมือนกับใกล้เกลือกินด่างมีเกลือไม่กินมีความสุขที่เกิดจากความสงบไม่เอา ไปเอาความสุขที่เกิดจากการได้ราบยศสรรเสริญความสุขที่ได้รูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมีวันสิ้นสุดงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดแต่ความสงบของใจไม่มีวันสิ้นสุดเป็นอากาลิโกเป็นอมะตะธรรมความสงบของใจ ถ้ารู้จักทำให้มันสงบได้ตลอดเวลามันก็จะสงบไปตลอดเวลามันไม่ขึ้นอยู่กับอะไรมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอกใจมันขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่ในใจก็คือสติและปัญญาที่ใจสามารถผลิตขึ้นมาได้แต่ใจไม่ชอบผลิตสติไม่ชอบผลิตปัญญา ราอมันยากมันเหมือนไปโรงเรียนถ้าให้เด็กเลือกเลือกระหว่างไปโรงเรียนกับไปเที่ยวนี่เ ด, เด็กจะเลือกอะไรเช่นวันนี้โรงเรียนเปิดวันแรกเนี่ยเด็กที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนพอจะเข้าโรงเรียนนี่วุ่นวายกันหน้าดูพ่อแม่ต้องพาไปแเวลาจะปล่อยให้อยู่ที่โรงเรียนนี่ก็จะร้องไห้โฮเพราะมัน ทําอะไรตามคําสั่งตามคําสอนใจชอบทําอะไรตามอิสระชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มชอบเล่นชอบดูชอบฟังอะไรไปเรื่อยๆอพอต้องมาให้ฟังในเรื่องที่ไม่อยากจะฟังเรื่องที่ไม่เข้าใจเพราะการเรียนนี้กว่าจะเข้าใจได้ก็ต้องฟังบ่อยๆไปเรียนทุกวัน ตอนต้นก็ต้องไปเรียนวิธีอ่านออกเขียนได้ก่อนจึงเป็นสิ่งที่ยากนี่เฉพาะทางโลกทางธรรมยิ่งยากกว่านั้นอีกการเรียนทางธรรมการศึกษาการปฏิบัติทางธรรมนี่มันเป็นการฝึกหัดนิดสัยใหม่เลยเหมือนกับเคยใช้มือขวาแล้วต้องมาหัดใช้มือซ้ายใหม่สมมุติว่ามือขวา มีปัญหาต้องมาหัดใช้มือซ้ายเนี่ยมันก็ต้องยุ่งยากพอสมควรเคยตักอาหารด้วยมือขวาพอลองมาใช้มือซ้ายตักอาหารดูตักมันก็ไม่ถนัดนะแต่ถ้าลองทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ถนัด ถ้าไม่มีเหตุบังคับให้ัมาหัดใช้มือที่ไม่ถนัดมันเราจะไม่ใช้กันแต่ถ้ามือที่เราถนัดมันเสียใช้ไม่ได้เราก็จะต้องบังคับให้มาหัดใช้มือที่เราไม่ถนัดพอรเราหัดใช้มือที่ไม่ถนัดไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะถนัดยิงั้นทำไมฉะนั้นแล้วคนที่เขาไม่ถนัด มือขวาแต่ก็ถนัดมือซ้ายทําไมเขาใช้มือซ้ายได้เหมือนกับเราใช้มือขวาก็เพราะว่าเขาเคยใช้มันมาจนเขาถนัดเป็นนิสัยใจของพวกเราก็มีนิสัยชอบอชอบปล่อยให้คิดไปตามอิจระอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดแล้วก็พอเกิดความอยากก็ไปทําตามความอยาก ทีนี้พอแต่ให้มาฝึกให้หยุดคิดมันก็เลยยากให้หยุดความอยากมันก็เลยยากแต่ไม่รู้ว่าการหยุดคิดได้การหยุดความอยากหน้านี้มันเป็นประโยชน์กว่าใจมากก ว, ากว่าการปล่อยให้ใจทําอะไรตามความอยากตามความคิดเพอสิ่งที่ได้จากการทําตามความคิดตามความอยากก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟ เป็นความสุขที่ไม่ถาวรที่จะต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆไปเที่ยววันนี้ก็มีความสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเที่ยวใหม่ถ้าไม่ได้เที่ยวก็ไม่มีความสุขอันนี้แล้วก็จะต้องเกิดปัญหาว่าการจะไปเที่ยวนี้มันต้องมี เหตุปัจจัยผู้สนับสนุนต้องมีเงินทองถ้าไปเที่ยวก็ต้องมีเงินทองมีเวลาว่างที่ไม่ต้องทำงานทำการแล้วก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบก็ไปไม่ได้อยากไปเที่ยวแต่ต้องไปทำงานวันนี้ต้องไปทำงานอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้หรือวันนี้ไม่ต้องทางาน แต่ไม่มีเงินก็ไปไม่ได้เที่ยวแบบไม่มีเงินนั้นไม่สนุกแบบเที่ยวแบบมีเงินหรือว่ามีเงินมีเวลาแต่ร่างกายไม่สบายก็ไปไม่ได้เนี่ยมันจะต้องเจออุปสรรคไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไปหาความสุขนอกใจ ถ้าเราไปหาความสุขตามความคิดตามความอยากมันจะต้องสะดุดวันใดวันหนึ่งพอเวลาสะดุดแล้วมันก็เจ็บใจทุกข์ใจทรมานใจถ้าสะดุดแรงแมากๆก็อย่างที่พูดอยากจะฆ่าตัวตายกันคนที่เคยร่มรวยพอสิ้นเนื้อปดาตัวนี้ก็อยากจะฆ่าตัวตายคนที่มีร่างกายแข็งแรง พอมาเป็นร่างกายที่แก่เท่าไม่สามารถทำอะไรได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยนี่แหละคือผลที่จะตามมาถ้าเราไปทำอะไรตามความคิดตามความอยากมันจะต้องให้เราทุกข์ทรมานจนบางครั้งเราอาจจะทนไม่ไหวเราก็จะคิดสั้นกันจะคิดฆ่าตัวตายกัน ดังนั้นเราจึงต้องรู้เห็นคุณเห็นโทษของวิธีการหาความสุขสองรูปแบบวิธีหาความสุขตามรูปแบบเดิมนี่มันง่ายเพราะเราชินกับการหามันเราชํานาญเราคล่องแต่มันจะมีอุปสรรคตามมาภายหลังวิธีของพระพุทธเจ้านี้มันเราไม่คล่อง เราต้องมาหัดมาฝึกมาฝืนใจให้มาหัดทําในสิ่งที่เราไม่คล่องในสิ่งที่เราไม่ชอบมันยากตอนต้นลำบากตอนต้นวิธีของพระเจ้านี้ยากตอนต้นแต่เมื่อทําได้แล้วมันจะง่ายมันจะสบายวิธีที่เราเคยใช้กันนี้มันง่ายตอนต้นพอเรา เราคล่องแค้วเราชนานาญเราเคยชินกับการหาความสุขแบบนี้พอมีเวลาปับ๊บพอมีเงินปับ๊บร่างกายแข็งแรงปับ๊บก็ไปได้แนละ้วไปหาความสุขได้เลยแต่มันเป็นความสุขที่จะจบลงที่ความทุกข์เนี่ยสุขก็ เ, ขเรียกสุขต้นทุกข์ปลายคือวิธีหาความสุข ที่เกิดจากการทำตามความคิดทำตามความอยากส่วนวิธีการหาความสุขด้วยการหยุดความคิดหยุดความอยากนี่มันจะเป็นทุกข์ต้นแต่สุขปลายแล้วก็สุขอย่างถาวรไปเลยพระนิพพานเนี่ยพระนิพพานก็คือการหยุดความคิดหยุดความอยากได้หมดก็เลย สบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแต่กว่าจะหยุดความคิดหยุดความอยากได้นี่ลิ้นแทบห้อยน้ำตานี่บางทีตกในเลยต้องปฏิบัติต้องไปอยู่คนเดียวอย่างน้องตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านไปปีกวิเวกอยู่ที่ไหนไม่ทราบแต่ก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากเพราะว่าพระต้องอยู่ระยะที่บิณฑบาตได้ ในช่วงนั้นก็มีงานที่บ้านกันไหมมีคนร้องรำทำเพลงมีเสียงเพลงมีเสียงอะไรท่านนั่งแล้วก็เศร้าเฮ้ยเรามานั่งตรงนี้ทำไมวะเขากำลังสนุกสนานเฮฮากันเรามานั่งพุทโธพุทโธใจก็คิดว่าแหมน่าจะไปร่วมกับเขาเลยพอดีท่านบอกโชคดีมีสติคิดได้มีปัญญาคิดได้ว่ แล้วเขามีความสุขแบบนี้ได้สักกี่วันเดี๋ยวต่อไปเขาก็ทำไม่ได้แต่เรานี่ถ้าเราพุโทโธต่อไปได้เราทำจิตของเราให้สงบได้เราก็มีความสุขได้ไปตลอดเลยไม่ดีกว่าเลยท่านก็เลยสู้ต่อไปพุโทโธต่อไปนี่แหละคือเรื่องของ การปฏิบัตินการปฏิบัติมันมันยากแต่ผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินี้มันคุ้มเหนื่อยคุ้มค่าเพราะเป็นผลที่ถาวรเป็นผลที่จะไม่มีวันจากเราไปแต่ถ้าทำในทางความคิดทางความอยากมันจะจากเราไปหมด ความสุขต่างๆที่เราหาได้จากการทาตามความอยากต่างๆเดี๋ยวมันจะหายไปหมดหายบางอย่างก็หายแบบรวดเร็วไปเที่ยวกลับมามันก็หายไปแล้วไปดูภาพยนตร์กลับมามันก็หายไปแล้วแต่ของบางอย่างที่เป็นวัตถุยังอาจจะอยู่กับเราเช่นรถยนต์ที่เราชอบนี่ยังอยู่กับเราอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าวัานไหนมันจะต้องเสือ่อมมันต้องพังไป ต่อไปมันก็ต้องใช้ไม่ได้ของทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเราไปห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเป็นอนิจจังไม่ได้ไปสั่งให้มันเป็นนิจจังให้มันถาวรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเราเดี๋ยวก็ต้องไปเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับดับช้าดับเร็วไปช้าไปเร็วเท่านั้นเอง บางอย่างพวกรูปเสียงกลิ่นรถมาเร็วไปเร็วดูปับ๊บแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วรูปเสียงกลิ่นรถอาหารที่เราไปรับประทานตามร้านอาหารต่างๆรับประทานเสร็จมันก็หายไปหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปรับประทานใหม่แต่ถ้าเราได้ความสงบนี้ด้วยสติด้วยปัญญานี่เราสามารถที่จะรักษามันให้อยู่กับเราไปได้ตลอด ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองแต่เราต้องใช้เวลาเราต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติให้มีเวลากับการเจริญสติเจริญปัญญาถ้ามีสติก็จะได้สมาธิถ้ามีปัญญาก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้หมดนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ สรรหากันอยากกันถ้าอยากถ้าอยากจะได้ความสุขขอให้อยากได้สติกันอยากได้สมาธิกันอยากได้ปัญญากันแต่อยากแล้วก็ต้องทำอย่าอยากเฉยๆหรือทำนิดเดียวแล้วอยากให้มันได้มันก็จะไม่ได้ให้อยากเพื่อเป็นจุดตัวจุดประกายให้เราเริ่มท้นกระทาสิ่งที่เราอยาก อยากได้สติเราก็ต้องหมั่นเจริญสติอย่าไปอยากเฉยๆล้วคิดว่าสติจะมาตามความอยากมันไม่มาสติมันจะมาตามความความตามการปฏิบัติตามการเจริญสติเช่นเราต้องมังคับให้ใจรู้อยู่เรื่องเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เช่นให้รู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วจะมีสติเพราะการอยู่อยู่กับเรื่องเดียวก็จะทำให้เราหยุดคิดได้ที่เราหยุดคิดไม่ได้เพราะเราไม่ยอมอยู่เรื่องเดียวอยู่เรื่องนี้ปป๊บไปเรื่องนู้นละจากเรื่องนู้นก็ไปเรื่องนั้นต่อวนไปเวียนมาไปเราคิดไปแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็ร้อนขึ้นมาใจก็สั่นขึ้นมา เปปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเลือกเอาเมื่อก่อนเราไม่รู้เราไม่มีทางเลือกถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่ามีทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่ดีกว่าทางที่เรากำลังเดินอยู่ในขณะนี้ทางที่เรากำลังเดินอยู่กันนี้เป็นทางที่ห้ อ, หอมล้อมด้วยความทุกข์ทั้งข้งหน้าทั้งข้างหลังทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตบางทีไปคิดถึงอดีตก็ทุกข์ละบางทีไปคิดถึงอนาคตก็ทุกข์ละบางทีอยู่กับปัจจุบันก็ทุกข์อีกพอได้ยินเสียงใครก็ด่าหน่อยก็ทุกข์ละทุก ทั้งสามตอนเลยทุกกับอดีตทุกกับอนาคตทุกับปัจจุบันเพราะความคิดของเรามันคิดไปตามความอยากเราไม่คิดไปตามความจริงถ้าเราคิดไปตามความจริงเราจะไม่ทุกข์แต่เราคิดไปตามความจริงไม่เป็นเราไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรความจริงที่เราคิดว่าเป็นความจริงมันไม่ใช่เป็นความจริงที่แท้จริงความจริงที่เราคิดว่า ร่างกายเป็นเราเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นความจริงร่างกายเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นลูกเราอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองไม่สวยไม่งามอาการสามสิบสองถ้าลองดูอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วมันจะ ไม่มีใครบอกว่าร่างกายนี้สวยไม่ไม่มีใครจะบอกว่าร่างกายนี้น่าดูที่มันเห็นว่าน่าดูก็เพราะว่าเห็นเพียงห้าอาการเท่านั้นเองเห็นผมขนและฟันหนังเท่านั้นเองจึงทําให้เห็นว่าร่างกายนี้น่าดูสวยงามเอแต่ถ้ามองให้ครบสามสิบสองมันจะเห็นว่าไม่สวยงามเลยไม่น่าดูเลย เรามองความจริงเรามองไม่เห็นความจริงอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เห็นในส่วนที่เราอยากจะเห็นเท่านั้นเห็นในส่วนที่เราอยากจะมองเราชอบมองความจริงในส่วนที่มันเจริญในส่วนที่มันเกิดเวลาเกิดนี่เราดีใจกันเวลาได้เงินทองขึ้นมาดีใจกันเวลาได้เงินเดือนเพิ่มก็ดีใจกัน แต่เวลาเขาตัดเงินเดือนนี่เสียใจกันนะหรือเวลาไม่ได้เพิ่มเงินเดือนก็เสียใจเพราะเราไม่มองความจริงว่าความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนอมันมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราก็ไม่ใช่เราสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราร อ, อันนี้เราไม่มองไม่เห็น เราจะต้องอาศัยคนที่รู้คนที่เห็นคือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเราจึงต้องมาศึกษามาฟังคำสอนของท่านเหล่านี้ท่านจะได้สอนความจริงเต็มรูปแบบความจริงที่เป็นความจริงอย่างแท้จริงเช่นร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของไข่ทั้งนั้นร่างกายที่เราเรียกว่าของพ่อก็ไม่ใช่ของพ่อร่างกายที่เรียกว่าเป็นของแม่ก็ไม่ใช่ของแม่ ร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราร่างกายที่เป็นของลูกก็ไม่ใช่ของลูกไม่ใช่เป็นตัวลูกไม่ใช่เป็นของลูกของพ่อของแม่เดี๋ยวสักวันหนึ่งเจ้าของจริงก็จะมาเอาคืนไปเจ้าของจริงคือใครก็คือดินน้ำลมไสฟร่างกายนี้มันไปไหนเวลาที่มันไม่หายใจแล้วมันก็ถูกแยก มันก็ถูกจําแนกแยกออกไปลมก็แยกออกจากร่างกายไปไฟก็แยกออกจากร่างกายไปน้ำก็แยกออกจากร่างกายไปเหลือก็เป็นดินไปนี่แหละคือความจริงที่เราไม่รู้กันนรือมองไม่เห็นกันหรือไม่คิดกันร่างกายทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นของใครไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาของลูก เป็นของดินน้ำลมไฟตัวที่มาเป็นเจ้าของชั่วขาวนี้ตัวนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างตัวนี้เราเรียกว่าใจคือผู้รู้ผู้คิดตัวนี้แหละที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นร่างกายที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้ทำอะไรต่างๆที่ ผู้รู้ผู้คิดอยากจะทำฮะผู้รู้ผู้คิดอยากจะดูก็ใช้ร่างกายพาไปดูผู้รู้ผู้คิดอยากจะฟังก็ใช้ร่างกายพาไปฟังเท่านั้นเองผู้รู้ผู้คิดไม่ได้เป็นร่างกายแต่ผู้รู้ผู้คิดไปไม่รู้ความจริงไม่คิดว่าผู้รู้ผู้คิดเป็นร่างกายก็เลยวุ่นวายไปกับร่างกาย เพราะว่าไม่อยากให้ร่างกายจากผู้รู้ผู้คิดไปเออืยไปคิดว่าผู้รู้ผู้คิดจะตายไปกับร่างกายออมันก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาแต่ถ้ารู้ความจริงว่าผู้รู้ผู้คิดนี้กับร่างกายไม่ได้เป็นคนเดียวกันเป็นคนละคนออผู้รู้ผู้คิดเป็นเจ้านายออร่างกายเป็นเป็นบ่าวเป็นผู้รับใช้ ผู้รู้ผู้คิดท่านั้นเองผู้รู้ผู้คิดสั่งให้มันทำอะไรถ้ามันทำได้มันก็ทำแต่บางทีสั่งมันแล้วก็อาจจะทำไม่ได้มันอาจจะไม่มีความสามารถหรือมันอาจจะหมดสภาพเช่นเวลาไม่สบายเวลาแก่จะสั่งให้มันทำอะไรตามที่เคยสั่งมันก็ทำไม่ได้ ถ้าผู้รู้ผู้คิดรู้ความจริงก็จะได้เตรียมตัวหรือเตรียมหาวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่าจะรู้จักวิธีใหม่นี้ก็ต้องมีคนรู้คนที่จะรู้วิธีแบบนี้ก็คือพวกนักบวชต่างๆในสมัยพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสัตรู้ก็มีพวกนักบวชที่รู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกาย แต่ก็าหาได้เป็นแบบชั่วคราวคือแบบที่เข้าสมาธิทําใจให้สงบเวลาเข้าสมาธิเขาก็มีความสุขแต่พอเขาออกจากสมาธิมาพอเขาไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เขาไม่สบายใจเขาก็ไม่สบายใจขึ้นมาเขายังไม่รู้จักวิธีว่าทําไมเขาจึงไม่สบายใจกับเรื่องต่างๆที่เขาไปสัมผัสรับรู้ด้วยเช่นเรื่องของร่างกาย ทำไมเขายิางต้องไปทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกเา็เขาหลงคิดว่าเขาเป็นร่างกายนั้นเองแต่มีพระพุทธเจ้านีนหลังจากที่ได้เรียน้วิธีทําใจให้สงบด้วยสมาธิแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นความเป็นความสุขเพียงครึ่งเดียวยังไม่เป็นความสุขเต็มร้อยสุขเฉพาะแต่เวลาอยู่ในสมาธิ พอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องร่างกายก็ทุกขขึ้นมาทันทออีก็เลยใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันแนออ่ก็ดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นออมันก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ทั้งนั้นเรื่องของธาตุสี่ที่เริ่มต้นจาก ธาตุสี่ของพ่อกับธาตุสี่ของแม่มารวมกันแล้วมันก็จเจริญเติบโตด้วยธาตุสีของแม่ที่คอยป้อนอยู่ในในคันมันก็จเจริญเติบโตขึ้นมาจกนกระทั่งมันคลอดออกมาจากท้องพอคลอดออกมาก็เติมธาตุสีหายใจก็ลมก็เป็นธาตุลมดื่มน้ำดื่มนมก็เป็นธาตุธาตุน้ทธาตุนมก็มีธาตุดินผสมอยู่ด้วย ถ้าน้ำเปล่าๆก็มีแต่าธาตุน้ำอย่างเดียวแต่น้ำสมัยนี้ก็ยังมีแร่เห็นไหมน้ำแร่น้ำแร่ก็แสดงว่ามีาธาตุดินคำว่าแร่ก็คือาธาตุดินน้ำแร่นมก็มีอาหารนมก็มีส่วนที่เป็นาธาตุดินผสมอยู่กับน้ำ เวลากินเข้าไปก็เติมดินเติมน้าเติมลมตนไฟเข้าไปในร่างกายนี่เองจนร่างกายก็เจริญเติบโตเพราะถ้าดินน้ําลมไฟมันก็เข้าไปเปลี่ยนเป็นอาการสามสิบสองเปลี่ยนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกแล้วก็เจริญเติบโตจนกระทั่งเป็นผูู้ผู้คน คนที่มีเจริญเติบตัวสูงสุดคือวัยกลางคนเพราะถึงวัยกลางคนแล้วทีนี้ความเจริญมันก็จะหมดแล้วทีนี้มันจะเริ่มเสื่อมมันจะเริ่มนับถอยหลังพอพ้นวัยกลางคนมันก็จะเข้าสู่วัยชราร่างกายก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวในที่สุดร่างกายก็หยุดหายใจ พอธาตลมไม่เข้าทีนี้ธาตุต่างๆมันก็อยูร่ร่วมกันไม่ได้นะมันก็จะแะยกทางออกจากกันถ้าทิ้งคนตายไว้เดี๋ยวน้าต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายมันก็ต้องไหลออกมาไหลเป็นอย่างกระทั่งมันแห้งแห้งก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดินไปแข็งแห้งแล้วก็กรอบแล้วเดี๋ยวก็ผุเดี๋ยวก็พังกลายเป็นดินไป ไฟก็ออกจากร่างกายไปตั้งแต่หยุดลมหายใจร่างกายของคนที่ไม่หายใจกับคนที่หายใจนี่ร้อนเย็นไม่เหมือนกันนะคนที่ยังหายใจนี้จะมีอุณหภูมิมากกว่าคนที่ไม่ได้หายใจคนที่ไม่หายใจนี้จะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของของห้องของ แต่อุณภูมิของร่างกายนี้มันจะคงเหมือนเดิมไม่ว่าอุณภูมิของห้องของสถานที่ที่ร่างกายอยู่นั้นจะหนาวกว่าหรือจะร้อนกว่าอุณภูมิของร่างกายมันก็จะอยู่เท่าเดิม นี่คือความจริงที่เราต้องมาศึกษาเพราะว่าความไม่จริงความไม่ความหลงนี่มันหลอกให้เราต้องทุกข์กันถ้าเรารู้ว่าร่างกายของแต่ละคนนี้ไม่มีไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้มีแต่ดินน้านมไฟเท่านั้นเองพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้พ่อแม่ก็คือผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราก็จะไม่เสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้เวลาที่พ่อแม่ตายไปพี่น้องตายไปเพื่อนฝูงตายไปสามีภรรยาตายไปบุตรที่ดาตายไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตายเขาเพียงแต่เสียคนใช้ของเขาคนรับใช้ของเขาร่างกายนี้เป็นคนรับใช้ของเขาเมื่อเขาไม่มีคนรับใช้เขาก็ต้องไปหาคนรับใช้อันใหม่เท่านั้นเองเั้นการตายก็เป็นเหมือนกับการ เปลี่ยนคนใช้คนใช้เก่าตายแล้วก็ปเดี๋ยวไปรอรับคนใช้ใหม่เท่านั้นเองคนที่เป็นเจ้าของคนที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนที่สั่งคนที่คุยกับเราคนที่สนานากับเราไม่ได้ตาย เขาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสนทนากับเราเขามีความคิดแต่เขาจะเอาความคิดมาให้เราได้เขาต้องมีร่างกายต้องพูดว่าเขากำลังคิดอะไรก็เลยต้องมีร่างกายเท่านั้นเองแต่ผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายให้พูดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พอเราได้เรียนรู้ความจริงเหล่านี้เราก็จะได้ปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่ตายได้เพราะเรารู้ว่ามันต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่ตายเราจะทุกข์แล้วถ้าเรามีสมาธิเราก็จะหยุดได้ถ้าเรารู้ว่ามันมันต้องตายแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิความอยากมันก็ยังดื้อยู่มันก็ยังอยากไม่ตายอยู่ ถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังทำได้ความรู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรารู้แล้วว่ามันจะต้องตายรู้แล้วว่าเราห้ามมันไม่ได้แต่พอถึงเวลาเจอความตายจริงๆเราก็ยังห้ามใจไม่ได้ห้ามใจที่จะอยากไม่ตายไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังสู้กับความอยากเพราะเรายังขาดสมาธิอยู่ดังนั้นเราต้องไปฝึกสมาธิกัน ตอนนี้เรามีปัญญากันแล้วแต่เราไม่มีสมาธิปัญญาจึงไม่เป็นปัญญาที่สมบูรณ์เป็นปัญญาเพียงครึ่งเดียวเป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถนำมาไปดับความทุกข์ได้เพราะขาดสมาธิความปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ต้องเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธิที่เรียกว่าภาวนามย์ปัญญาปัญญาตอนนี้เป็นสุตตะเมยปัญญา เป็นความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นอันนี้ยังไม่มีกำลังพอเราต้องไปสร้างสมาธิขึ้นมาพอเรามีสมาธิมีอัปปนาสมาธิแล้วปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายก็จะกลายเป็นภาวนามายปัญญาขึ้นมาพอเป็นภาวนามายปัญญาที่นี้มันก็จะหยุดความอยากได้ ยอมให้ร่างกายตายได้ไม่หวาดกลัวกับความตายของร่างกายเพราะรู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย genial genial Actually, รู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นคนรับใช้เราที่จะต้องจากเราไปแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเวลาเขาตายนี้เขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาตายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร เขาก็จะกลับไปเป็นตามที่เขาเคยเป็นเขาเคยมารวมกับดินน้ํำลมไฟแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องแยกออกจากดินจากน้ําจากลมจากไฟเขาก็แยกกันไปตามเรื่องของเขาน้ําก็ไปทางของเขาลมก็ไปทางของเขาไฟก็ไปตามทางของเขาดินก็ไปตามทางของเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยร่างกายไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายคือผู้รู้ผู้คิดนี้ มีปัญหาเพราะไม่ยอมให้เขาแยกกันยังอยากให้เขาอยู่รวมกันแต่พอมาได้ยินได้ฟังทำรู้ว่าอยากไม่ได้ห้ามไม่ได้อยังไงยังไงเขาก็ต้องแยกกันแล้วพู้ที่อยากก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เสียไม่ได้ตายไปกับการแยกของร่างกายพอรู้อย่างนี้ก็ ปล่อยวางได้ถ้ามีสมาธิกลับไปอยู่ที่จุดที่ปล่อยวางคือกลับไปอยู่ที่จุดอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เออถ้าไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่กลับไปก็ใช้พุโทโธหนึ่งกลับไปก็ได้ใช้สติหนึ่งกลับไปหยุดความคิดหยุดความอยากมันก็จะกลับไปสู่ที่เป็นจุดอุเบกขาอันี่คือความจริงที่เราไม่รู้กันที่เราจะต้องมาศึกษากันพอเราศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่าเออ ความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่การไม่มีอะไรถ้ามีแล้วจะทุกข์เพราะสิ่งต่างสิ่งต่างๆที่มีนี้มันจะต้องหมดมีอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดทมอนไรที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาทมอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเะนั้นมีอะไรเดี๋ยวก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปเวลาเสียก็จะทุกข์เะนั้นอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าการจะอยู่แบบไม่มีะไรได้ก็ต้องทาใจให้สงบ ทำใจสงบด้วยสติพอใจสงบด้วยสติใจก็มีความสุขพอใจไม่เกิดความหงงอยากได้อะไรก็ใช้ปัญญามาสอนว่าการมีอะไรเป็นทุกข์ถ้าไม่มีแล้วจะไม่ทุกข์ก็จะหยุดความอยากมีอยากได้สิ่งต่างๆได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความทุกข์กับอะไรต่อไปเพราะไม่มีอะไร สิ่งที่มีก็ไม่ถือว่าเป็นของตนสิ่งที่มีก็คิดว่าเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปออก็พร้อมที่จะให้มันจากพอพร้อมให้มันจากแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือไม่ยอมให้มันจากเท่านั้นเองที่เป็นปัญหาออนี่แหละคือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมต้องฟังแบบใจกายวาจาใจที่สงบ กายวาจาต้องไม่พูดไม่ทำอะไรใจก็ต้องไม่คิดอะไรถึงจะเข้าใจถ้าทำอะไรไปด้วยคูดคุยกันไปด้วยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยไม่มีวันที่จะเข้าใจคนสมัยนี้จึงฟังทําแบบทับพพีในหม้อแกงกันหม้อแกงมันอยู่กับทับพพีอยู่กับหม้อแกงกี่ชั่วโมงกี่ปีมันก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรคนที่ฟังธรรมแล้วบรรลุนี้เขาฟังแบบลิ้นกับแกง แม้แต่แกงเพียงหยดเดียวมาสัมผัสกับลิ้นลิ้นก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงอะไรยิ่งเราฟังธรรมเราต้องฟังแบบลิ้นกับแกงคือฟังด้วยศีลสมาธนะิฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ เราใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปนะหราโสยตาม่เจโตอะนะโสยตาสัพพิตโยวิวัจยันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวา พะพิวาธานสีลิศานิจังุทธาปจายโนจตาโรโธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลางาอเออจะมีคำถามกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะ เ, เมื่อวันศุกร์เนี่ยพระอาจารย์เคยเ จะได้ได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปใส่บาตรไม่ได้เนี่ยเราก็โอนเงินเข้าทำบุญแทนท่นี้พอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยวัดจริงๆเนี่ยไม่มากส่วนใหญ่เป็นมูลนิธิเป็นอะไรต่างๆหรือโรงพยาบาลผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่นี้การโอนเงินถ้าเหมือนกับว่าในแทนแทนการตักบาตรเนี่ยโอนไปทำตามมูลนิธิต่างๆหรือโรงพยาบาลเนี่ย เออไม่ทราบว่าอันนี้สงจะได้คล้ายคลึงกันไหมคะแล้วกม็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเวลาไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ไปมาใส่บาทเนี่ยคืออยากแต่จะมาใส่บาทแต่ก็โอนเงินนะคะโอนเงินแทนแต่ว่าทําไมแบบเหมือนกันคือมันคือผลคือประโยชน์พวกเขาผู้รับนี่อาจจะไม่เหมือนกันเพราะเงินเข้ามูลนิธีเก็อาจจะเอาไว้ไปใช้อย่างอื่น แต่ไม่ได้ใช้กับเรื่องอาหารของพระโดยตรงก็ได้แต่ถ้าเราใส่บาต น, นี้พระก็จะได้รับอาหารโดยตรงแต่ผู้ที่ให้นี้จะได้ความสุขเหมือนกันคือได้เสียสละเงินทองไปเสียสละแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่อาจจะไมอ่อาจจะไม่สุขเหมือนกับได้ทำเองได้ใส่กับ มือเองแต่ถ้าเราไม่สามารถทำได้เราก็ต้องทำแบบที่เราทำได้ไปหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องโอนเงินเอาเงินใส่แยกไว้ในส่วนหนึ่งที่เราไม่ไปแตะถือว่าเป็นเงินทำบุญแล้วเวลาเรามีเวลาไปทาบุญไปใส่บาทเราก็เอาเงินข้อ น, นี้ไปทาบุญใส่บาทก็ได้ <c oughs> ที่ให้ทำอย่างนี้เพราะว่าบางคนเขาจะ ไม่รู้จักแยกแยกเงินทองพอมีเงินทองอยู่ใกล้เมืองอยากได้อะไรขึ้นมามันก็จะเอาเงินทองนั้นไปไปใช้ก่อนแล้วพอถึงเวลาจะทำบุญมันเลยไม่มีเงินทำบุญมีก็น้อยทำได้น้อยแต่ถ้าเราแยกไว้ทุกวันวันละนิดวันละหน่อยพอนานวันเข้ามันก็มากขึ้นมาพอเวลาเราต้องการจะทำบุญเราก็จะได้ทาบุญได้มาก วันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้ทั้ง Facebook นะคะ478ค่ะ y o ย t u b บ138วิทยุ30รับฟังบนเขา33รวมทั้งสิ้น679ค่ะวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์600กว่าบางทีก็500กว่าก็ <c oughs> เรียกมี maximum กับ minimum มีคำถามไหมคำถามแรกจากทางไลน์นะคะทําอย่างไรถึงจะเห็นธรรมครับผมก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วก็ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะเห็นธรรมคําถามข้อต่อไปจ้ะค่ะจากคุณจิจิรภาถ้าเราเคยตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ทํางานนี้เพราะเราพอมีพอกินแต่พอ แต่ก็พอเลี้ยงแค่ชีวิตเราแต่ลูกน้องเราอีกสามครอบครัวยังต้องพึ่งพาอาศัยเราอยู่เจ้าค่ะเราจะกลับมาทำงานนี้อีกครั้งเพื่อเลี้ยงดูลูกน้องอีกจะผิดสัจระเป็นบาปกรรมใหม่เจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอ๋อแล้วเป็นบาปมันไม่เป็นบาปหรอกเพียงแต่ว่ามันทำให้เราเป็นคนโลเลไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ทามาได้แล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจได้ ถูกอ้างนู่นอ้างนี่ขึ้นม า, าก็เลยอาจจะล้มเหลวอาจจะไม่สามารถสําเร็จสิ่งที่เราอยากจะทําได้เช่นพระพุทธเจ้าถ้าท่านตั้งสัจจะตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพว่าจะนั่งไปจนกว่าจะตัดสรู้ถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกนแต่พอนั่งไปสักพักแล้วรู้สึกเจ็บอยากจะลุกก็เปลี่ยนใจอ๋อเปลี่ยนใจเดี๋ยวกา ไม่ไม่นั่งต่อไปถ้าไม่นั่งต่อไปท่านก็จะไม่ได้ตัดสรุเพราะฉะนั้นการมีสัจจะนี้มันสำคัญเพราะบางทีคนเราถ้าไม่มีสัจจะมาคอยกำกับเรามักจโลเลเปลี่ยนใจได้ง่ายแต่ถ้ามีสัจจะแล้วมันเหมือนถูกบีบบังคับไม่ให้เปลี่ยนเราก็จะสามารถทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้มันสาเร็จรุ่วรงไปได้ คำถามต่อไปจากคุณป้านุชค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งการที่ญาติฝากเงินไปทําบุญหรือทําบุญให้กาลยานมิตรหรือญาติที่ไม่สบายเขาจะได้บุญร่วมกับเราไหมเจ้าคะถ้าเป็นเงินของเขาเขาก็ได้ส่วนของเขาส่วนของเราเราก็ได้ส่วนของเราของใครของมันข้อที่สองค่ะเราสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาแบ่งบุญให้เขาเขาจะมีส่วนได้รับบุญไหมเจ้าคะ คือถ้าเราไม่ได้ทําบุญเรามันก็ไม่สามารถแบ่งบุญให้เขาได้การแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการให้บุญเขาการแผ่เมตตาให้ความเมตตาเพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันการแผ่แบ่งบุญกับการแผ่เมตตานี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันบุญก็คือบุญที่เราได้ทําแล้วเราแบ่งให้กับผู้ลงรับไปแล้วส่วนเมตตาก็คือเรามีความเมตตากับเขาซึ่งไม่เหมือนกัน คำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราภาวนาและนั่งสมาธิส่งจิตส่งใจไปหาคนที่เรารักได้คิดถึงนานๆหรือทุกวันแล้วคนที่เรารักเราคิดถึงที่อยู่ที่ไกลจะรับรู้ได้ไหมคะขอถามค่ะอยากทราบจริงๆค่ะถ้าเขายังอยู่ใช้โทรศัพท์มันง่ายกว่านะ <laughs> ส่งข้อความอ่า <laughs> แต่ถ้าเขาตายไปแล้วก็กใช้โทรศัพท์ไม่ได้ก็ต้องใช้กระแสะความคิดของเราส่งไปส่วนเขาจะรับหรือไม่รับก็หนึ่งอยู่ที่กำลังส่งของเราว่าเรามีมากมีน้อยสองอยู่ที่เขารอรับเราหรือเปล่ายันมันก็ไม่แน่นอนคำถามข้อต่อไปจากคุณไอ e b e บ r y จาก YouTube นะคะกับนิมมัสการเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับกิเลสค่ะ คือหนูถอนวัชพืชที่บ้านและเกิดคําถามขึ้นในใจว่ากิเลสก็เหมือนรากของวัชพืชที่หยางลงลึกในจิตแต่หลายครั้งที่กิเลสถูกคลุมปิดด้วยอวิชชาเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าในช่วงขณะนั้นเรากําลังมีกิเลสเกิดขึ้นในใจเพราะถูกกิเลสถูกอวิชชาปิดไว้ไม่ให้เราเห็นคะ่ะ อ, อ่จะเห็นก็ตอนที่เราทุกเวลาเราทุกนี่แสดงว่ากิเลสกําลังเกิดแล้ว โลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็ทุกขึ้นมาถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องหยุดความโลภนั้นหยุดความอยากได้ในสิ่งนั้นพอหยุดแล้วความทุกข์ก็จะหายไปคําถามข้อต่อไปกับคุณเชอร์เบลค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าการเจริญมรณานุสติต้องนึกถึงความตายตลอดเวลาใช่ไหมคะในช่วงเวลาวันหรือนึกในช่วงที่เรานั่งสมาธิคะ อ, อ๋อ ช่วงที่เราระลึกได้เวลานั่งสมาธินี่มันจะระลึกไม่ได้เพราะเวลาจิตสงบแล้วมันจะไม่ระลึกถึงอะไรช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเท่านั้นเราถึงจะระลึกได้คําถามข้อต่อไปจะคุณเอเจชัยค่ะสติคืออะไรมีประโยชน์ตอนไหนครับและสติใช้ยับยั้งใจใช่ไหมครับจิตกสติก็คือสิ่งที่จะหยุดความคิด หยุดอารมณ์หยุดความอยากต่างๆทําให้ใจสงบก็คือสติเเ <cinco. S 1> ช่ น, น, นเราสั่งให้ใจหยุดคิดถ้าเราสั่งให้มันหยุดคิดแล้วมันหยุดคิดก็แสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเราสั่งให้มันหยุดคิดแล้วมันไม่ยอมหยุดก็แสดงว่าเราไม่มีสติพอสั่งให้มันหยุดความอยากแล้วมันยังไม่ยอมหยุดความอยากก็แสดงว่าเราไม่มีสติพอแต่ถ้ามันอยากปั๊บอยากสูบบุหรี่ปั๊บก็สั่งว่าอย่าสูบไม่เอาไม่สูบ แล้วก็ความอยากนั้นก็หายไปถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีสติถ้าไม่มีเราก็ต้องฝึกสติสร้างสติด้วยการให้มันระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวจนให้ระลึอกอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหยุดความคิดได้ค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณฟูค่ะที่ว่ายอมหยุดเย็นทุกเรื่องเลยหรือเปล่าครับพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ ก็เรื่องไหนที่ทำให้เราร้นเนี่ยเราก็ต้องยอมพอยอมแล้วเราก็จะหยุดหยุดความอยากพอหยุดความอยากได้ใจก็จะเย็นอยู่ที่ว่าใจเราร้อนหรือเปล่าถ้าใจมันไม่ร้อนก็ไม่ต้องใช้ความยอมไม่ต้องยอมแต่ถ้ามันร้อนมันทุกข์มันวุ่นวายใจก็ต้องยอมยอมแล้วมันก็จะหยุดต่อต้านหรืหยุดความอยากพอหยุดแล้วมันก็จะเย็นจะสบาย คำถามข้อต่อไปจากเฟ e บุ๊ k คุณสุดาวันค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะทำไมสวดไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักนณฐายะเห็นบางวันวัดไม่มีคำว่าวิสุงวิสุงต่างกันอย่างไรคะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของของเรียกอะไรของพิธีกรรมมากกว่า เขามีวิธีแบบรักษาศีลแบบเป็นพวงหรือรักษาแบบแยกกันมั้งถ้าแยกถ้าเป็นพวงถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าขาดหมดนเถ้ารักษาแบบแยกกันถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งข้ออื่นที่ไม่ได้ขาดก็ยังอยู่ยังอยู่ต่อได้แต่พูดตามหลักความจริงแล้วมันมันมันไม่ได้เป็นพวงหลักสินมันก็เป็นข้อข้อ เราไม่ดืมเราไปดืมชูกาแต่เรายังไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราก็ไม่ได้ไปผิดศีลฆ่าข้อสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยคําถามข้อต่อไปจากคุณท็อปค่ะเวลาเห็นลงที่เปลี่ยนแปลงเห็นความคิดที่เกิดดับเป็นทั้งหยุดคิดปฏิบัติถูกไหมครับควรเติมหรือเสริมตรงไหนบ้างไหมครับ น้องอ่านไหมสิเวลาที่เห็นลมที่เปลี่ยนแปลงเห็นอะไรเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเห็นลมค่ะลมหายใจค่ะน่าจะใช่ค่ะเห็นลมที่เปลี่ยนแปลงเห็นความคิดที่เกิดดับเป็นทั้งหยุดคิดเห็นลมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ถามว่าไงออันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกไหมครับควรเติมหรือเสริมตรงไหนบ้างครับอ๋อคือการปฏิบัตินี้มันมีเป็นหลายขั้นด้วยกันะ ขั้นที่เรากําลังทํานี้เหมือนกขั้นปัญญาปัญญานี้ต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรายังไม่ได้มีสติไม่มีสมาธิพอเห็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอเห็นแล้วเราก็ยังหยุดความอยากไม่ได้หยุดความอยากให้สิ่งที่จะดับไม่ดับไม่ได้ ดังก่อนที่เราจะไปขั้นวิปั ส, สนาขั้นปัญญาเราต้องมาที่ขั้นสติก่อนมาหัดหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ก่อนพอจิตไปเห็นสิ่งที่เกิดเราดับแต่ไม่อยากให้ดับเราก็จะได้หยุดความอยากได้เพราะว่าเพราะว่าเราห้ามความสิ่งที่จะดับไม่ให้มันไม่นันมันไม่ดับไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้มันดับคำถามข้อต่อไปจากคุณธนาพรค่ะศาสตร์เลขโทรศัพท์ เลขที่บ้านหรือทะเบียนรถมีผลกับชีวิตเราจริงหรือไม่คะอา้าวถ้าทางหวยถูกมันก็มันก็มีผลอะไรมันมีแต่มันไม่มีผลทางจิตใจคือหมายความว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทางจิตใจมากมันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงทางการอยู่การกินอะไรของเราไปแต่จิตใจของเรามันก็ไม่ได้ดีขึ้นจากการที่มี ผลกระทบกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ยังมีเปลี่ยนแปลงจิตใจเราก็คือพฤติกรรมของเราคือการกระทําทางกายทางวาจาที่เรียกว่ากรรมกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็จะมีผลกระทบที่ดีต่อจิตใจกรรมชั่วก็จะมีผลที่ไม่ดีต่อจิตใจคําถามข้อต่อไปจากคุณทรงศักขากราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ เงินทองเป็นรูปธรรมบุญเป็นนามธรรมบุญที่ทำมาที่ทำจะมากน้อยทำไมจึงขึ้นอยู่กับจานวนเงินมากน้อยครับก็ต้องใช้ จ, จานวนเงินสร้างมันขึ้นมาคุณจะทำบุญคุณก็ต้องมีเงินทำแล้วมีสิ่งของที่คุณมีแล้วคุณยินดีที่จะเสียสละให้แก่ผู้อื่นเพราะบุญที่เกิดจากการเสียสละมันต้องมีของที่เราจะต้องเสียสละ ของที่เราเสียสละอันไหนที่เป็นของที่เรารักมากมันก็จะได้บุญมากของไหนที่เรารักน้อยมันก็จะได้บุญน้อยมันก็มาที่ตัวเงินเพราะเรารักอะไรไม่รักเท่ามักักรักเท่ากับรักเงินใช่ไมฉะนั้นถ้าเราเสียสิ่งที่เรารักมากเสียเงินมากความรู้สึกก็จะมีความสุขมากเสียเงินน้อยความรู้สึกมันก็จะรู้สึกน้อยมีความสุขน้อยกว่าแค่มันก็เลยต้อง ขึ้นอยู่กับเงินทองถ้าไม่เชื่อคุณลองไปทำดูลองทำทาบุญร้อยบาทกับทำบุญหมื่นบาทดูแล้วดูความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นในใจของคุณว่าอย่างไหนจะมากกว่ากันถ้ามันเท่ากันนี่ก็ต่อไปก็อย่าไปทำบุญหมื่นบาทให้เสียเวลาทำมันแค่ร้อยเดียวก็พอ คำถามข้อต่อไปจากคุณเมยียค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะวิปั ส, สนาจะเกิดช่วงช่วงไหนของการนั่งสมาธิคะเกิดขึ้นเองหรือเป็นการน้อมจิตระลึกเอาเรื่องนั้นนั้นมาพิจารณาค่ะ อ, อต้องน้อมจิตมาพิจารณาแล้วก็ไม่ควร น, น้อมตอนที่นั่งสมาธิเพราะมันเป็นขั้นคนละขั้นตอนกันการนั่งสมาธิเพื่อหยุดจิตพักจิตให้จิตมีความสุขจากการหยุดคิดหยุดอยาก แต่พอออกจากสมาธิมาแล้วจิตเริ่มคิดเริ่มอยากถึงต้องใช้วิปัสสนาเพื่อมาหยุดมันใช้ปัญญาที่กันถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องเจริญปัญญาก่อนปัญญาก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไปเปลี่ยนแปลงไปบังคับมันไม่ได้ถ้าเราเห็นแล้วเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรพอเราไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราอยากกัน เวลาอยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วก็กังวลหวงห่วงและเวลาเสียไปก็เสียใจอีกอันนี้คือปัญญาต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์งั้นอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรแล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไรคำถามข้อต่อไปค่ะ จะทำอย่างไรถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ครับและถ้าบรรลุแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองใช่ไหมครับว่าบรรลุอรหันต์แล้วครับก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามเนี่ยหยุดการมตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลต่อพระภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอเรากำจัดความอยากเหล่านี้ได้ใจเราก็จะสงบมีความสุขไปตลอด คำถามข้อต่อไปจาก You youtube คุณปริชาติค่ะเราจะเจริญปัญญาอย่างไรคะอะไรคือการเจริญปัญญาแล้วอะไรคือปัญญาที่แท้จริงคะก็อย่างเพิ่งตอบไปเมื่อกี้นี้ปัญญาก็คือการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเราห้ามมันไม่ได้ไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงก็จะทุกข์เพราะมันมันไม่สามารถเป็นไปตามที่เราอยากได้ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปอยากให้มันเที่ยงต้องยอมให้มันเปลี่ยนไปให้ต้องยอมให้มันเจริญยอมให้มันเสื่อมไปตามตามธรรมชาติของมันเช่นร่างกายของเรามันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปห้ามไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้ายอมให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็จะไม่ทุกข์เนยนี่คือปัญญา ค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณพีโก้ค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับตามที่มีข่าวครอบครัวหัวร้อนเป็นทั้งครอบครัวจัดเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หรือกรรมเป็นแดนเกิดครับไม่ทราบหัวร้อนเป็นยังไงไม่รู้อาจจะเป็นถ้าเป็นทางร่างกายไม่ใช่เป็นเผ่าพันธุ์แล้วมันเป็นกรรมพันธุ์พ่อก็เป็นแม่ก็เป็นลูกก็เป็นอย่างนี้เรียกว่ากรรมพันธุ์ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรม คำว่าเผ่าพันธุ์ก็คือพวกที่ทำชั่วก็เป็นเผ่าหนึ่งพวกที่ทำดีก็เปอีกเผ่าหนึ่งมันไม่เหมือนกันไม่ใช่เป็นทางร่างกายเป็นทางจิตใจคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นเป็นอยู่เผ่าหนึ่งคนที่ชอบขโมยก็อยู่อีกเผ่าหนึ่งนี่เป็นแล้วแต่ชอบทำอะไรมาทำอะไรอย่างไรเป็นนิสัยมันก็จะเป็นเผ่านั้นไปคำถามข้อต่อไปจากคุณพูแดงค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ คาวาะที่มุ่งปฏิบัติและรักษาศีลอย่างเคร่งครัดมีโอกาสถึงพระนิพพานหรือไม่ครับศีลอย่างเดียวไม่พอต้องมีสมาธิและปัญญาด้วยถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบร้อยก็เปตไปถึงนิพพานได้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะคําถามข้อต่อไปจะคุณสุภัชราค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ เวลานั่งสมาธิเกิดตัวเองหน้าและพอลืมตาก็เห็นเรายังนั่งสมาธิอยู่เลยทำให้กลัวไม่กล้านั่งต่อเจ้าค่ะอย่างนี้เป็นอย่างไรคะเพราะว่าเราไปหลอกตัวเราเองไปคิดว่าเราเองตัว ในเวลานั่งเราอย่าไปสนใจกับความรู้สึกนึกคิดของใจให้มีอะไรกำกับใจให้อยู่กับสิ่งที่เรากำกับใจเช่นถ้าเราดูลมหายใจก็ให้รู้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่าไปรับรู้อย่าไปสนใจกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนั้นว่ารู้สึกว่าตัวเองไปข้างหน้าเองไปข้างหลังหรือพองหรือหดอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น คำถามข้อต่อไปกับคุณชดาพรค่ะกราบน้ำรสการพระอาจารย์ค่ะเวลาคุยกับคนแล้วมองตากันแววตานั้นคือจิตของคนคนนั้นใช่ไหมคะหนูมองตาคนแล้วหนูปรุงบังทีเสียสมาธิในเรื่องที่กําลังสื่อสารทำอย่างไรดีคะไม่เข้าใจลองอ่นนอานใหม่สิเวลาคุยกับคนแล้วมองตากันแววตานั้นคือจิตของคนนั้นใช่ไหมคะ หนูมองตาคนแล้วหนูปรุงบางทีเสียสมาธิในเรื่องที่กําลังสื่อสารทําอย่างไรดีคะก็อย่าไปปรุงเลยก็ให้มีสติตั้งใจฟังอย่าไปปรุงว่าเขามีแววตาอย่างนั้นมีแววตาอย่างนี้ให้ฟังเฉยๆฟังเสียงหรือถ้ามองก็มองเฉยๆอย่าไปปรุงว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ คำถามข้อต่อไปค่ะควรทำอย่างไรกับความรู้สึกที่ผิดที่เคยทำต่อคนรักที่เรารักมากจนต้องเลิกลากันแม้เขาให้อภัยเราแล้วแต่เรายังรู้สึกทุกข์และเสียใจอยู่ควรทำอย่างไรให้ออกจากทุกข์และความรู้สึกผิดนี้ได้คะก็ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วผิดพลาดไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการตอนนี้เรารู้แล้วเราก็พยายามอย่าทามันอีก อดีตมันผ่านไปแล้วก็อย่าไปคิดถึงมันถ้าบันจะคิดก็ใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดมันคำถามข้อต่อไปค่ะปฏิบัติถึงขั้นไหนถึงจะไม่เสวยทุกขเวทนาทางกายได้คะก็กั้นพระโสดาบันนี่ท่านก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บความแก่ความตายของร่างกายแนละ้วแต่นังท่านยังทุกข์กับความอยากที่จะมีแฟนอยู่ค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณธนาพรค่ะ ฝึกลูก5าขวบนั่งสมาธิ1ินาทีก่อนนอนจะได้อะไรไหมคะเห็นนั่งสาประงกทุกครั้งเลยค่ะควรทำต่อไปหรือไม่คะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เด็กไม่รู้เรื่องอะไรทำไปก็เหมือนกับจับลิงมานั่งเฉยๆมันก็จับมันได้แต่มันมันก็เด็กไม่รู้ภาษีภาษาเหมือนกับลิง คำถามข้อต่อไปจาก youtube คุณสุรสรีค่ะกรับเรียนถามพระอาจารย์ครับเราสามารถเอาจีวรเก่าของตอนที่บวชแล้วใช้ตอนบวชครั้งใหม่ได้ไหมครับถ้ามันเป็นของเราเราจะมาใช้ใหม่ก็ได้ถ้าเป็นของวดัดเราก็ต้องไปขอวัดก่อนช่วนี้คำถามหมดคำถามหมดเมื่อกี้มียอมอยากจะถามอะไรไม่ใช่เหรอ เดียนี้อยากจะถามเดี๋ยวส่งไปกาบธรรมสการท่านอาจารย์ลูกกาบขอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของบิดามันดาเช่ะเนื่องจากว่าลูกเนี่ยมีความประสงค์ที่จะวางแผนชีวิตในการที่จะลาออกจากงานในอีกมิชานี้ซึ่งทำให้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อบิดามันดาได้รับทราบก็จะรู้สึกว่าท่านเนี่ย ตัวท่านเองไม่มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเลยแล้วก็ไม่ได้ทราบถึงไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะในการปฏิบัติเลยก็เลยทำให้ท่านไม่สบายใจกับเราเป็นอย่างมากก็เลยเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่รู้สึกทุกข์แล้วก็เศร้าหมองไปด้วยก็เลยอยากจะกราบขอวิธีการในการที่จะคิดหรือว่าน้อมนามา ดำเนินชีวิตต่อไปเพราะว่าลูกตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็จะมุ่งแสวงหาความสงบในบ้านตายชีวิตในอีกไม่ช้านานนับจากนี้ไปเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราสามารถอธิบายให้เขาเข้าใจได้เขาก็อาจจะหายทุกข์ได้คือเราก็บอกว่าการไปบวชการไปปฏิบัติธรรมนี้เหมือนกับการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราใจเรา ไม่สบายใจเราทุกข์ใจเรามีปัญหาไม่มีความสุขเราก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเหมือนกับร่างกายเวลาร่างกายไม่สบายเราก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็อธิบายเขาฟังว่ามันไม่ได้ไปไหนไปรักษาใจก็ยังจิตต่อกันได้ยังพบกันได้ยังอะไรกันได้อยู่เพียงแต่ว่า ตอนนี้ใจมันต้องมีที่รักษาที่รักษาใจโรงพยาบาลของใจก็คือวดัดไปอยู่วัดเขาก็มีชุดของวัดให้ใสเหมือนกับอยู่โรงพยาบาลคนไข้เขาก็มีชุดของคนไข้ให้ใสเหมือนกันเวลาร่างกายไม่สบายเราก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเวลาใจเราไม่สบายเราก็ไปรักษาที่วัดกันเท่านั้นเอง ข้อที่สองเจ้าค่ะคือถ้าลกปราถนาจะปฏิบัติธรรมในลักษณะที่ไม่อยู่กับวัดแต่ว่าอยาจะไปสแสวงหาที่สงบเพื่อที่จะอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ศึกษาปฏิบัติคือการการปฏิบัตินี้ต้องมีครูเมีอาจารย์คอยสอนคอยกำกับถ้าเราปฏิบัติเองนี่เราจะหลงทางได้แล้วแทนที่จ ะ, ะเป็นประโยชน์กับจะเกิดโทษกับเราได้ เพราัทางศาสนาพุทนี้เราไม่ไดยอมให้ไปปฏิบัติพวกที่เขาไปอยู่คนเดียวเขาเป็นพวกที่ได้เรียนจบแล้วได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์จนรู้หมดแล้วว่าจะต้องทําอะไรนั้นะรู้จักวิธีการทาเขาถึงแยกไปอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาต้องการมีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่แต่เขาก็ไม่ได้แยกอย่างตัดขาดกันบางเวลาเขามีความสงสัยมีความไม่เข้าใจเขาก็จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ เขาเข้าออกออกไม่ได้ไปอยู่คนเดียวแล้วไปปฏิบัติตามลำพังคนเดียวเรียนเองปฏิบัติเองถ้าทําอย่างนี้เองส่วนใหญ่มักจะหลงกันปฏิบัติไม่เท่าไหร่ก็หลงว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์พอเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามีลาบสักการ ะ, ะก็กิเลสก็ออกมา แล้วก็เอาลาบสักการะไปทำใช้ในทางที่เสียหายแล้วต่อไปก็เป็นปัญหาเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมามเห็นการที่จะปฏิบัติในทางนี้ต้องมีครูมีอาจารย์คอยกํากับคอยดูแลแต่การไปปีกเวกอยู่คนเดียวก็ไปได้เมื่อถึงเวลาอันควรคือต้องถ้าเป็นเด็กก็ต้อง ต้องเดินได้วิ่งได้เองก่อนถ้ายังล้มลุกคลุกคานอยู่ก็ต้องอยู่กับพ่อกับแม่ไปก่อนขอกลับอีกถามอีกสักข้อหนึ่งเจ้าค่ะ mm hmm. คือตลอดระยะเวลาที่แต่ละคนทำงานอยู่ก็จะบางคนก็จะมุ่งปฏิบัติไปด้วยแต่ว่า ในลักษณะของการทำงานเนี่ยเหมือนกับว่าเราพยายามปฏิบัติสมาธิไปมันก็จะไม่ถึงขั้นที่เราจะสามารถใช้เหมือนกับอุเบกขาเราก็จะไม่สามารถไปถึงขั้นนั้นได้เพราะว่าเราจะต้องดึงสังขารมาคิด ปรงในเรื่องของการทำงานวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งค น, คนที่ทำงานไปด้วยเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่ า, าระหว่างที่ปฏิบัติก็รู้สึกท้อว่ า, ายังไงก็ไปไม่ถึงหรอกถ้ า, ายังทำงานอยู่อย่างนี้เราร อ, ร อ, ร, อรอวันที่เราจะได้ลาออกก่อนดีกว่าแล้วเราก็เหมือนกับการปฏิบัติก็ลดระดับลงมาแค่ทานศีลโดยที่ภาวนาก็ไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับช่วงเวลาที่เรา มีเวลาว่างเป็นเดือนเดือนอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วยังไงอ่ะเหมือนกับเอ่อมันก็เลยทําให้เราคิดว่าถ้าเราทํางานไปด้วยคงจะไม่สามารถไปถึงขั้นอุเบกขาในความรู้สึกหรือในจิตได้ก็เลยเหมือนกับจะหยุดปฏิบัติไปหยุดปฏิบัติมันก็ไม่ได้มีทางเดียวฉะนั้นก็ต้องออกจากงานแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่คร<ช>อบเขาถึงไปบวชกันไง แต่ถ้าขณะยังไม่บวชก็พยายามอย่างน้อยทำซ้อมไว้ก่อนก็ยังดีเพราะเวลาเราไปปฏิบัติ เ, เวลาเราออกจากงานเราจะได้ไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เราก็ทำเท่าที่เราทำได้ไปก่อนรักษาระดับของการปฏิบัติของเราในในระดับที่เราทำได้ไปก่อนอย่าอย่าเลิกแล้วก็พอมีโอกาสที่เราจะไปปฏิบัติได้เต็มรูปแบบเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ขอบคุณเจ้าคะ่ะเดี๋ยวส่งไปน้นมาสการค่ะโยมเพิ่งมาครั้งแรกนะคะตัวโยมปัจจุบันปฏิบัติมาตลอดไปร เ, เวลาสามปีมโยมเริ่มแรกเนี่ยปฏิบัติของวัดพร อ, อนั่งออกฌานแต่ตอนนี้โยมปฏิบัติของมือรูปดุลคือเข้าจิตว่างบางครั้งในการปฏิบัติเนี่ยมีอะไรเข้ามาแยะๆแต่โยมก็คือตัดออกไม่ได้เอาจิตไปจับตรงนั้น แต่บางครั้งเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างบอกในจิตเหมือนมีคำตอบออกมาเวลาที่เราติดขัดจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นจิตอุปทานเราเองหรือจิตของผู้รู้คะก็จิตนั่นแหละจะเรียกอุปทานหรือจิตผู้รู้มันก็มาจากจิตของเรานั่นจิตตรงนั้นโยมเคยถามครูบาอาจารย์ว่าโยมต้องปฏิบัติแบบไหนท่านบอกว่าให้ปฏิบัติตามผู้รู้ในตัวโยมไม่เข้าใจค่ะ ควรจะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเพราะผู้รู้นี้อาจจะเป็นผู้หลงได้ค่ะอ่าคือสิ่งที่ยมเอเพราะผู้รู้นี่ยังมีอวิชชาหุ้มห่อยอยู่เดี <c oughs> ย๋ยวจะถูกความหลงหลงอกดังนั้นทางที่ดีควรจะปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์แล้วอย่างถ้าปฏิบัติแล้วจะสอบอารมณ์ จะสอบอยังไงค ะ, า ะ, ะการสอบอารมณ์นี่เราเป็นคนสอบเองไม่ใช่คนอื่นมาสอบเราเ ค, คือเช่นเราเราอยากจะรู้ว่าเรายังเรายังตัดสิ่งนี้ได้หรือเปล่าเราก็ลองตัดดูเรา ล, ลองทําถ้ายังยังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังตัดไม่ได้ ค, คือตอนโยมปฏิบัติเนี่ยอบางอย่างบอกโยมว่าถ้ากายขันต้องใช้ การกินอาหารจิตต้องการใช้การภาวนาเพื่อการรักษาจิตถูกต้องไหมคะไม่ถูกแร้ว ค, คือการภาวนาก็เพื่อที่จะกำจัดกิเลสจิตจะรักษาจะรักษาจิตได้ต้องฆากิเลสให้ตายฆ่าความโลภความโกรธความหลงจะฆ่าได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาแล้วคําว่าธรรมะคือธรรมชาติคือการที่เอา ธรรมะมาอยู่กับการปฏิบัติตัวในปัจจุบันใช่ไหมคะธรรมะมีความหมายหลายอย่างนะ <Okay. S 2> ธรรมะแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ธรรมะแปลว่าธรรมชาติก็ได้เช่นต้นไม้ใบญหญ้าฝนฟ้าอากาศนี่ก็ เ, เรียวกว่าเป็นธรรมชาติ <Yeah. S 2> แล้วแต่ว่าเราจะใช้มันในความหมายอย่างไร <Yeah. S 2> มันไม่ได้เป็นคาที่มีความหมายอันเดียว แล้วก็ต้องคิดอยู่ว่าเวลาเราพูดเรากําลังหมายถึงอะไรตอนนี้เราพูดธรรมะก็หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะคุณโยมแจ้งแล้วค่ะภาษามันมีหลายความหมายเราก็ต้องแยกแยะให้ออกเดี๋ยวพูดกันคุยกันแล้วเดี๋ยวจะสับสนคุยกันก็ละเรื่องอ เมื่อกี้อยากจะถามอะไรไม่ใช่นะหรือไม่ถามนะต้องถามหนังไม่นะหน้าไม้ก็ได้โยมกราบนามสการค่ะโยมอยากจะถามว่าการทำบุญจิตที่จิตที่ที่แบบเดิมทีเป็นคนที่มีความสุขมากในการทำบุญให้ทานแล้วแล้วสมัยก่อนโยนเคยกวเนเหนยถวายหลวงตามหาบัว แล้วก็ได้ช่วยหลวงตาในเรื่องทอ ง, ทองคำช่วยชาติแต่ระยะหลังมานิยมมีความรู้สึกว่าโยมไม่ขนไควในการทำบุญแบบนั้นโยมมีความรู้สึกว่ามันจืดในความรู้สึกของโยมมันเป็นแบบนั้นโยมไม่มีความกระตือรือร้นในการที่จะทำบุญแบบทำบุญให้ทานทั่วไปโยมเลอ ย, ยอยากกาบเรียนถามว่ามันมันมันจืดแล้วมันหมดเป็นได้เหรอเจ้าค่ะ ก็มันมันคล่ายๆว่ามันอ right? ิ่มตัวในระดับนี้ถ้าเราอยากจะให้จิตเรามีอะไรเพิ่มเราก็ต้องขับกระยับขึ้นระดับที่สองก็คือต้องมารักษาศีลต้องมาภาวนามันถึงจะเกิดความรู้สึกที่มีความสุขมากขึ้นมีความมีมีความกระตือรือร้นมีความอยากเพิ่มมากขึ้น เี่เราก็ต้องมาเริ่มหัดรักษาศีลถ้ารักษาศีลห้ายังไม่ได้ก็รักษาศีลห้าก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็เพิ่มเป็นศีลแปดศีลห้ายมรักษามานานแล้วค่ะก็ลองรักษาศีลแปดดูวันไหนที่สะดวกรักษาศีลแปดวันหยุดวันที่ไม่ต้องทำงานสมัยก่อนเราก็เรียกว่าวันพระ แต่สมัยนี้วันหยุดทํางานมันไม่ได้ตรงกับวันพระ เ, ออเช่นวันเสาร์อาทิตย์เราก็อาจจะเอาวันเสาร์อาทิตย์มาเป็นวันพระแทนแล้ว ร, รักษาศีลเพราะถ้าเราไปทํางานเดี๋ยวเราก็รักษาไม่ไดเออ้เพราะข้อที่ไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วออก็ถ้าเราทํางานเราพักเที่ยงเราถึงจะรับประทานอาหารกัน เองก็เราลองรักษาในวันที่เราไม่ต้องทํางานไม่มีภาระเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆว่างเราก็จะได้มารักษาสิ้นแปดกันรักษาศิ้นแปดแล้วเราก็ต้องหัดภาวนาไปพร้อมๆกันอเพราะมันเป็นของคู่กันมันของสนับสนุนกันคือคือการภาวนาก็คือ ได้สภาวะผู้รู้ตรงก็มาหลายปีแล้วค่ะหลวงพ่อขณะที่เดินจงกรมมีความรู้สึกว่าเท้าที่กระทบพื้นไม่ใช่เท้าแต่เป็นจิตที่รับรู้หูได้ยินเสียงไม่ใช่หูแต่เป็นจิตที่ได้ยินเจ้าค่ะมานานแล้วเจ้าค่ะอ๋อนี่ไม่ไม่พอหรอกอันนี้รู้แบบนี้ไม่พอไม่จำเป็นจะต้องรู้แบบนี้ให้รู้ว่ า, าสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เราต้องสละเราต้องตัดให้ได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่ตั้งแต่ร่างกายของเราไปจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาผ่านทางร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเนี่ยเราต้องปล่อยให้ได้ตัดให้ได้ร่างกายก็ต้องปล่อยให้ได้ตัดให้ได้ตัวรู้คือจิตตัวนี้ไม่ตายไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้มาต้องรู้แบบนี้ ไปรู้ว่าหูเป็นเพียงแต่ผู้รับเสียงก็ใช่แต่มันไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญในตรงนั้นความสำคัญอยู่ที่ผู้รู้ที่มายึดมาติดกับทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางร่างกายยึดติดกับร่างกายยึดติดกับทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองยึดติดกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ต้องใช้ปัญญาให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีวันดับจะต้องมีวันหมดจะต้อง จะต้องมีการพัดภาคจากกันไปใจพร้อมที่จะปล่อยหรือไม่ถ้าไม่พร้อมก็จะทุกถ้าพร้อมก็จะไม่ทุกอันนี้ต้องภาวนาถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่เราเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราจะต้องมีการพัดพาคจากกันไปในที่สุด เราพร้อมที่จะให้มันจากกันหรือเปล่าถ้าเราพร้อมเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่พร้อมถ้าเรายังอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเราเป็นของเราต่อไปเวลามันไม่เป็นมันก็จะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราพร้อมเพราะเรารู้ว่ามันต้องจากเราเพราะเรารู้ว่ามันมันต่อไปมันจะไม่ได้เป็นของเราเราก็เตรียมตัวเตรียมใจ ย, ยกให้เขาไปถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไป อะไรเถอคือปัญญาจะทาใจนี้ได้ก็ต้องจิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาต้องทำสองอย่างทำจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาพอเราทาใจได้แล้วเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางได้ถ้ายังทำใจไม่ได้สอนให้สอนให้ปล่อยมันก็ไม่ยอมปล่อย เข้าใจพอเข้าใจเจ้าค่ะการทําบุญทําทานเราก็ยังทําได้การที่เราจะเกิดความอิ่มใจประทับใจเราก็ต้องทํากับสิ่งที่เราเห็นว่ามันเกิดประโยชน์เราได้ได้ช่วยเหลือใครนี่เราเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือเราเนี่ยเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าเราทําแบบเป็นปตามธรรมเนียมทําไปตาม โอกาสเช่นสายบาดบังที่สายไปแล้วเราก็อาจจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราเห็นพระรับอาหารล้นบาทเต็มไปหมดเนี่ยก็เลยไม่รู้สึกแต่ถ้าเราเห็นขอทานแล้วเราซื้ออาหารมาให้มันกินให้เขากินเนี่ยแล้ว เ, เห็นเขามีความสุขจากการรับประทานอาหารของเราเนี่ยเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเลือกทำบุญในที่เราที่เราสามารถเห็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการทาบุญของเราได้ เช่นูปช่วงน้องตาอยู่แล้วอาจจะมีความสุขเพราะเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเสียสละทองคําเสียสละเงินทองเพื่อช่วยชาติอย่างนี้มันเราเห็นประโยชน์ที่จะเกิดไปก็เลยทําให้เรามีความสุขกับการที่เราได้เสียสละไปแต่ถ้าเราเสียสละไปกับสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่มีคนไม่มีประโยชน์อะไรบางทีสร้างสร้างถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องสร้างไม่ต้องมีสร้างไปแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเท่าไหร่ เราต้องดูประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเสียสละของเราถ้าเราเห็นได้รับประโยชน์เช่นเมื่อวานนี้มีกลุ่มญาติโยมกลุ่มหนึ่งก็ไปซื้อชีวิตวัวควายมาอไปถ่ายชีวิตโควัวแล้วก็ามาปล่อยให้กับวดัวดวัดในวัดก็รับไว้ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้สึกเกิดความสุขใจขึ้นมาที่เราได้ช่วยเหลือชีวิตเขาจะได้ไม่ตายเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ถ้าอยากจะทำบุญต้องต้องดูประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำบุญของเราถ้าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์เช่นซื้อไมยวันนี้มาอาจจะไม่เกิดประโยชน์แล้วอาจจะรู้สึกรูงงี้ไปซื้อดีกว่าแต่ถ้าพอได้ไม้มาแล้วใช้ได้ดีมีเสียงคมชัดอะไรอย่างนี้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมายังทำบุญทาทานได้อยู่แต่อาจจะต้องเลือกทำหน่อย พอเงินทองเราเก็บไว้เฉยๆมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้มันมันก็ไม่เป็นประโยชน์ไปใช้ในทางที่ผิดก็เกิดโทษไปใช้กับกิเลสใช้กับตามความอยากมันก็จะเกิดโทษขึ้นมาอมพอเข้าใจน ะ, จจะอ่ามีอีกไหมหมดแล้วนะหมดแล้วก็ท่งมาทางนี้ไว้หมดเวลาพอดีเนี่ย นีเลยมาห้านาทีแล้ววันนี้พอ น, นิษเริ่มสายหน่อยเริ่มตั้งแต่สามสองูนแปดนี้ก็เลยชดุชดชุดเฉยให้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษเปิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร์ Turn.